ก็กราบบูชาพระตรตน์ไตรกราบบูชาครูบ า, าอจารย์ทั้ง่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนก็กราบคระวะพระอาจารย์ไพศาลหลวงพ่อกลมครูบาจารย์พระเถระพันเตเพื่อนสาตามุมิกเจริญพรมายัง <c oughs> แม่ชีบาสุกบาศิกาทุกท่าน วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่ส9 <c oughs> กันยายน2 5งนระห้าสิบดะตรงกับวันแรมส1บเค่ำเดือน10บ เ, เมื่อนับเวลาแล้วก็เหลือเวลาไม่ถึงสามอาทิตย์นะที่เราจะาถึงเวลาออกปรรษานะก็เราอยู่ร่วมกันมาก็7จ็สิบกว่าวัน นะสำหรับการอยู่ที่วัดป่าสุกโต <c oughs> นะสำหรับผู้ที่มาเข้าพรรษาเนาะส่วนผู้ที่มาเป็นครั้งคราวนะก็มาอยู่กันสมวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างนะนี้ก็เป็นความตั้งใจนะของแต่ละท่านนะที่มาวัดป่าสุกโตเมื่อไม่กี่วันวันนะี้หลังจากงาน ละสังขารของหลวงพ่อคำเขียนผ่านไปนะก็มีญาติโยมนะบางส่วนนะก็เข้ามาวัดป่าสกตโตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะ เ, นเป็นรถมาจากขอนแก่นนะขับมาตรงกุฏิอาตมาก็มาถามว่าลานหินโค้องอยู่ตรงไหนอานะตมาก็บอกอยู่ตรงเนี้ยนะจะมาทำอะไรเหรอเขาบอกเขาจะมากร า, าบอธิ หลวงพ่อคำเขียน น, นี้ก็ไม่ได้ถามอะไรน้องเหนือไปจากนั้นเมื่อวานก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็มาพอดีไปเดินออกกำลังกายด้านหลังของวัดเขาก็ขับรถเข้าไปถึงหลังวัดเขาก็ถามทาง <c oughs> ที่จะไปลานหินโค้งอีกเราก็เออแปลกใจดีเหมือนกันนะมีคนแปล ก, กหน้าเข้ามา วัดป่าสุกโตจะไปกราบอธิลงพ่อคำเขียนก็เลยบอกทางเขาไปบางคนก็มาไม่ไม่รู้ว่ามาทำอะไรเหมือนกันบางคนมาถามเอเข้ามาวัดป่าสุกโตเขามาทำอะไรกันเออเราก็แปลกใจเลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ได้คิดขึ้นมาว่าการมาวัดป่าสุกโตเนี่ย บ, บางคนก็มาโดยที่ไม่รู้เป้าหมาย นะบางคนก็มาที่จะมากราบอธิลงพ่อคำเขียนบ้างนะบางคนก็ตั้งใจอยากจะมาทําบุญนะเมื่อสองสามวที่แล้วนะก็มาถวายสังฆทานนะแล้วก็ไปกราบอธิลงพ่อคำเขียนนะซึ่งตรงนี้มันคงเป็นสิ่งที่ได้จากข่าวสารได้จากการประชาสัมพันธ์จากงานที่เรา ได้ร่วมกันจัดขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสะท้อนว่า <c oughs> การมาวัดป่าสุกโตเนี่ยแต่ละคนก็มีความหวังความตั้งใจนที่อยากจะมาทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดนะีไม่ว่าจะมาเป็นการมาได้กราบอธิลงพ่อคําเขียนนะได้มาทําบุญนะได้มาทําประโยชน์ต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ในส่วนของพวกเรากันเองนะก็มาที่นี่ก็คงมีเป้าหมายมีจุดประสงค์คล้ายๆกันนะก็คือมาทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้กับตัวเองให้กับวัดให้กับสังคมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราพอจะมองเห็นได้นะแต่ว่าสิ่งที่เอ่อน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะสิ่งที่ควรจะได้รับ จากการมาวัดป่าสุกโตคืออะไรนนก็เป็นสิ่งที่ดุกมินิธมาเองก็ได้มาใครควรมาคิดมาพิจารานาะว่าที่วัดป่าสุกโตเนี่ยมีหลายอย่างนะที่จะตอบสนองให้ประโยชนนะ์กับการที่เราได้มาที่นี่นะอย่าง น, น้อยก็ได้มีถ้าดู ง, ง่ายๆก็ดอได้มีโอกาสทำบุญให้ทานนะมารักษาศีล นะซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายๆแนะละหลายคนก็มาด้วยจุดประสงค์อันนีนะ้แต่บางคนก็ตั้งใจนะที่อยากจะมาเรียนรู้มาฝึกปฏิบัตนะิในส่วนที่เราเรียกว่าการภาวนานะโดยเฉพาะยิ่งการเจริญสตินะตามแนวการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนนะโดยหลวงพ่อคำเขียนก็เป็นผู้ที่สืบต่อวิธีการนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เรามาอยู่ด้วยกั น, น70กว่าวั น, นก็คงได้มีโอกาสได้ฝึกฝ น, นได้เรียนรู้ตามกำลังศรัทธาความเพียรของแต่ละค น, นะบางคนก็มีความตั้งใจนในการที่จะฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้ น, นบางคนก็ได้ทำบ้างไม่ทำบ้างด้วยมีภารกิจต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ อาแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้มาฝึกฝนนะด้วยการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวเนี่ยนะคนที่มีความเพียรนะมีความตั้งใจและก็ทําอย่างถูกต้องนะแล้วก็มีความต่อนเนื่องเนี่ยก็คงมีผลบ้างนะอย่างน้อยๆนะก็ได้รู้จักนะสิ่งที่เราเรียกว่ารูปนามนะหรือกายใจนะนี่เป็นเบื้องต้น นะซิ่งตรงนี้เนี่ยเจ็ดสิวันเนี่ยมันน่าจะได้สัมผัสกับคำํำคำนี้บ้างนะเพราะว่าหลวงพ่อเทียงเคยพูดไว้ว่าอย่างเร็วตั้งแต่1วันถึง90วันน่าจะรู้จักรูปนามนะแต่ถ้าเราทําไปแล้วนะยังไม่รู้จักเลยยังไม่เข้าใจเลยยังสงสัยอยู่นะนี่ก็เป็นข้อที่เออน่าจะตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องไหมหรือว่า มันมีความต่อเนื่องไหมนะหรือว่าเรามีความเพียรพอเหมาะพอดีไหมนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราน่าจีจะได้ตรวจสอบนะแล้วก็สังเกตทีนี้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องนะมีความต่อเนื่องมีความเพียรนะอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คงได้สัมผัสนะสิ่งที่เป็นรูปนามนะซึ่งตรงนี้เป็นเบื้องต้นนะของการเจริญสติ นะไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามคำว่ารูปนามนั้นนะเป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทีย น, นยได้พูดไว้ว่าเป็นเบื้องต้นนะของการที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานะซึ่งเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการเรียนรู้เรื่องรูปนามก็คือความรู้สึกตัวซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็มีอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติแต่ที่มันมี มันยังไม่พอใชนะ้เราก็เลยต้องมาฝึกฝนกันซึ่งวิธีการฝึกนะที่วัดป่าสุกโตเราก็จะเน้นนะให้เรามีการเคลื่อนไหวที่กายนะไม่ได้เน้นให้นั่งนิ่งๆให้นั่งหลับตาสงบนะซึ่งวิธีนั้นก็เป็นวิธีการที่ที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนั่งนิ่งๆนะแล้วก็สงบมักจะติดสงบแล้วพอติดสงบเนี่ยมันก็ไม่ตื่นรู้ นะแต่ถ้าสงบแล้วตื่นรู้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะด้วยกําลังสติหรือความรู้สึกตัวของเราอาจจะยังไม่ชัดเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเรานั่งนิ่งๆสงบก็มักจะจมดิ่งไปในความสงบเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรา เ, เนิ่นช้านะแล้วก็ไม่ได้สัมผัสนะกับความรู้สึกตัวจริงๆนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาให้เนิ่นช้า เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าโดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่นะคนที่ยังไม่เคยมาที่นี่เลยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเนี่ยก็คงจะประหลาดใจนะแล้วคงคงตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่เขาทำอะไรกันมานั่งยกไม้ยกมือนะไม่มีการนั่งนิ่งๆเลยแล้วมันจะสงบได้อย่างไรนะเส้นตรงนี้ตัวผมนิตามาเองก็เคยมีคำถามนะเมื่อตอนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเทียนใหม่ เราติดสงบเราเคยทำแบบอนาปนาสติอยู่กับลมหายใจซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็เลยทำให้ไม่ยอมทำอยู่พักหนึ่งนะแต่เมื่อเข้าใจฟังบ่อยๆลองทำนะก็เลยเห็นนะว่าเออไอนี้วิธีนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ <c oughs> เป็นการปลุกความรู้สึกตัวนะทำให้ตื่นตัวขึ้นมา นะแตแทนที่เราจะไปสงบนิ่งๆมีความสุขอยู่ความสงบนะซึ่งตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีนะมันได้พักผ่อนะเวลาเราเหน็ดเหนื่อยแต่จุดที่มันไม่ดีก็คือมันมันจมมันดิ่งลงไปในความสงบแล้วปัญญามันไม่เกิดนะมันไม่เกิดพัฒนาการความรู้สึกตัวมันไม่มีการตื่นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังอยู่ในความสงบเนี่ย เราไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้นะกิเลสนะสิ่งต่างๆที่มันทำให้เรา เ, เป็นทุกขนะ์มีความเศร้าหมองนะมีความพิตกกังวลเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นขึ้นมาการเคลื่อนไหวจุดประสงค์ใหญ่ก็คือเพื่อที่จะปลุกความรู้สึกตัวนะที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นมานะเพื่อที่จะได้เห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวกายที่มันเคลื่อนมันไหวนี่แหละ เป็นตัวที่จะทําให้ใจเนี่ยมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในโลกส่วนใหญ่นะใจเรามันจะไปอยู่กับสิ่งข้างนอกจะเป็นครอบครัวก็ดีงานการก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีเรื่องราวเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆก็ดีใจเราไปอยู่กับเรื่องเหล่านั้นใจเราไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นพอมันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามา กระทบใจเรื่องไกลร้ายเราก็ตก อ, อกตกใจเราก็สะดุ้งกลัวหรือถ้าเป็นเรื่องดีๆเราก็ดีใจพอใจฟูใจมันฟูขึ้นมานะพูดง่ายๆก็คือใจมันเสียความเป็นปกติไปนะตรงนี้นี่เองนะ่าจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องหัดกลับมานะให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว ใจมันเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเราไม่สามารถจะไปจับให้มันมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้แต่มันก็มีวิธีการหนะ้าที่ให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการเคลื่อนไหวจะเป็นการเคลื่อนไหวได้วยการเดินก็ดีด้วยการสร้างจังหวะ ก, ก็ดีตามรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถนะ้าได้พูดได้บอกได้สอนเอาไวนะ้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเบื้องต้นนะเป็นสิ่งที่ เราจะเห็ น, หนาจากการมาวัดป่าสุกโตแล้วเราก็ได้ฝึกฝนไ ด, ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องนะซึ่ง น, นี้เป็นรูปแบบนะที่จะทำให้ใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆนะตรงนีเน้เราก็จะเริ่มเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเมื่อเราไปสัมผัสกับโลกนะไม่ว่าจะเป็น การปวดการเมื่อยการเคลื่อนการไหวของกายความร้อนความหนาวนะความหิวความกระหายนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะความพอใจไม่พอใจความคิดนะต่างๆนานาซึ่งไอตัวความคิดนี่แหละนะที่ทำให้เราต้องมีความสุขมีความทุกข์มีความพอใจไม่พอใจมีความกลัว นะมีความเหงาความเว้าเวนะบางคนนะวันก่อนก็มีคนมาถามกันว่าทาําไงดีมันว้าเวจะทาําไงดีนะบอกไม่ต้องทําอะไรหรอกนะกลับมารู้สึกตัวนะนั่งอยู่ตรงนั้นก็อย่าหนีไปไหนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะดูมันสินะมารู้สึกตัวมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาไหมไม่ต้องหนีมันไปเชิญหน้ากับมันเลยนะเรียนรู้มันเลย นีตรงนี้แหละน่าจะทําให้เร า, เารู้จักหน้าตาของความเหงาความว้าเวความกลัวนะคนที่มาวัดป่าสุขโตเนี่ยอยู่ป่ามันมืดนะไฟไม่มีบางที่ความกลัวผีนเนี่ยก็มีเหมือนกันบางคนมอกกลัวผีจะทำยังไงกลับมารู้สึกตัวเนี่ยมาฝึกเนี่ยมาฝึกเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวเนี่ยเอาความรู้สึกตัวเนี่ยไปต่อรองกับมัน นะก็คือไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหนีมันนะตรงนี้แหละที่เราจะได้เห็นก็เรียกว่ากลลวงนักเล่นกลก็คือจิตที่มันเล่นกลหลอกลวงเราให้เราดีใจเสียใจให้เรากลัวให้เราเง า, ใ ห, เ า, เงาให้เราว้าเวนะให้เราสุขให้เราทุกข์เนี่ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นได้บ่อย มันก็จะหลอกเราไม่ได้ละนะตรงนี้แหละนะใจเราจะเป็นอิสระเราโดนครอมงามจากความคิดปรงแต่งเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อ้อนต่อออกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะโดนหลอกไม่เหมือนกันนะบางคนโดนหลอกกลัวผีบางคนอนโดนหลอกตัวกลัวทุกแกบางคนโดนหลอกกลัวกิ้งกืออันนี้เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลย ทีนี้เมื่อเรามาทำความรู้สึกตัวนะกับการเคลื่อนการไหวตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันแสดงมันปรากฏขึ้นมาเมื่อมันแสดงมันปรากฏขึ้นมาก็เหมือนเราได้เห็นนะหลวงพ่อคมเกียนใจกรรมว่ามันเข้าแถวมาให้เราดูแต่ก่อนเนี่ยความรู้สึกตัวเรายังไม่ค่อยชัดนะหรือว่าเรายังไม่มีหรือมีแต่น้อยมันก็มีอานาจทาให้เรากลัวทาให้เราเหงาทใ า, าทให้เราว้าเว ทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์ทำให้เราพอใจไม่พอใจนะแต่เมื่อเรามีสติมีความรู้สึกตัวที่ได้จากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเครื่องมือที่เราเห็นความจริงนี่คือความจริงที่มันแสดงหรือมันปรากฏให้เราได้เห็นนะซึ่งตรงนี้เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเห็นบ่อยๆแรกๆมันก็เข้าไปเป็นกับมันไปสุขไปทุกข์กับมันไปกลัวกับมั น, ไ ป, มนไปเหงาไปว้าเว แต่พอเราดูไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มันของไม่จริงเนี่ยว่ามันหลอกเรานี่ยว่าไอ้ความคิดนี้เดี๋ยวคิดแล้วหลอกเราแล้วหลอกเราอีกหลอกเราอยู่นั่นแหละนะตอนหลังก็เล่เริ่มเห็นเล่เหลี่ยมมันละกลลวงของมันละนะเราก็ถอยลงมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้สติใช้ปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนการเพียรการกระทําอย่างต่อเนื่องนะทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบ นะคือมีสตินะในทุกเอิรียบทแต่แน่นอนคำว่าสติในทุกอิรียบทนี้นะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะบางทีคนที่เริ่มต้นใหม่ก็จะเพ่งจ้องให้มันรู้สึกตลอดเวลาซึ่งตรงนั้นจะเกิดอาการหนักอาการแน่นอาการเครียดนะซึ่งตรงนั้นเนะี่ยไม่เป็นธรรมชาติแล้วใหม่ๆก็รู้บ้างเผลิบ้างแต่กลับมารู้ให้ได้บ่อยๆ ความรู้สึกที่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปบังคับไปสร้างหรือไปปักคองมันมันจะเป็นเองเมื่อเราเพียรนะที่จะรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องบ่อยๆรู้บ้างเผลอบ้างแต่กลับมารู้ให้ได้บ่อยๆนะเมื่อเรารู้บ้างเผลอบ้างเนี่ยการที่เรารู้ว่าเผลอ น, นั่นก็คือเรารู้แล้วเราไม่เผลอไปกับมัน นะตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำไปตอต่อไปเรื่อยๆนะทำด้วยใจที่เป็นกลางกลางสบายๆนะแต่ไม่ใช่เพลินนะตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันไม่เผลอแต่ก็ไม่เพ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นําพูดที่พูดง่ายแต่เวลาทำมันอาจจะยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรให้สังเกตนะส่วนใหญ่คนตั้งใจมากๆจะเพ่งไปก่อนนะเพ่งมากๆมันหนัก ก็ถอยออกมานะถอยออกมานนหนักหนักเดี๋ยวเผลอนะมันเผลอมันเพ่งเดี๋ยวมันก็ลงล็อกของมันเองนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องสังเกตเหมือนกันการฝึกการเจริญสตินี่ต้องใช้สติใช้ปัญญานะไม่ทําแบบทําแบบไม่ได้ใช้ปัญญาทําทื่อๆนะตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องสังเกตแล้วก็ใช้การพิจารณาใข้ควรพอสมควรนะซึ่งตรงนี้นก็เป็นโ อ, อกาส นะของพวกเรานะที่ได้มาอยู่วัดป่าสุกโตนะบรรยากาศสนับสนุนในเรื่องนี้เต็มทีนะ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารการกินนะหรือว่าสังคมสิ่งแวดล้อมนะก็เอื้อประโยชน์ให้กับพวกเรากับเรื่องนี้เต็มที่เพราะนั้น <c oughs> ตัวองค์พธรมาเองนะเห็นว่าสิ่งที่เป็นแก่นสารนะสิ่งที่เป็นแก่นธรรมนะของวัดป่าสุกโตก็คือการที่เรามา เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ <c oughs> มีตัวอย่างนะที่หรือเป็นต้นแบบนะก็คือตัวหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านได้แสดงให้เราเห็นแล้วคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสนะได้มีโอกาสสนทนาธรรมก็ดีหรือแม้แต่ได้เห็นกิริยาการกิจวัตรประจําวันของท่านนะแม้สุดท้ายนะเมื่อท่านละสังขารไปท่านก็แสดงให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้ว่าสิ่งที่อยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนั้นมีจริงๆการสิ้นทุกก็มีจริงๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเคยแต่ได้ยินได้ฟังมาเราเคยแต่อ่านหนังสือมาเราก็ยังคลางแคลงใจเราก็ยังไม่แน่ใจแต่เมื่อเราได้มาพบนะกับหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคำเขียนก็ดีมันเป็นเครื่องยืนยันนะมันเครื่องพิสูจน์บอกว่ามันมีจริงๆนะ มันทําได้นะเราจะทําหรือเปล่านะในชีวิตที่เรามีอยู่ขณะนีนะ้หรือ <c oughs> ที่จะมีอยู่ต่อไปนะซึ่งตรงนี้แหะน่าจะเป็นแก่นสารหรือเป็นสารธรรมนะเป็นแก่นธรรมนะที่เราน่าจะได้รับจากการมาวัดป่าสุกโตเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่นานนะไม่ถึงสามอาทิตยนะ์ขอให้เราได้ค้นคว้าด้วยการศึกษาปฏิบัติ ลงไปตรงนี้จริงๆถ้าผู้ใดนะยังไม่ได้รับสิ่งนี้หรือยังไม่ได้ <c oughs> สิ่งนี้นะก็ขอให้ได้ใช้เวลานะที่เหลืออยู่เนี่ยกับเรื่องนี้นะก็คิดว่าคงจะได้รับประโยชน์นะสูงสุดนะจากการมาวัดป่าสุกโตนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอไว้ในเช้าวันนี้นะก็ในท้ายที่สุดนี้ นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์แล้วก็ความเพียรพยายามของทุกท่านนะในการที่ตั้งใจนะมาวัดป่าสุโขโตมาฝึกฝนอบรมตนเองนะเพื่อที่จะให้ได้สัมผัสกับความจริงนะของชีวิตนะก็คือความเป็นปกติของใจนะแล้วก็ไปถึงที่สุดของทุกขนะ ในเรววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร